ไปยิ่งยากมองซินต่างๆก็แล้วบึงมองบึงใช้เศษบึงซีนต่างๆเราเห็นเป็นธรรมดาเป็นปกติธรรมดาคนเท่าเห็นเป็นธรรมดาแหละเพราะเป็นยังดอกมันข่อมญาติข้อมบาทคมวันข่อมเพลงขมขังข้ออีน่างๆมันเท่าหรอกคนเห็นเป็นธรรมดาแ่ะเทากับว่าห้วยมันเกืเป็นของมันจังฉัน เป็นน้รมดายังสั่นโตจนมันโมมีอย่งพิเศษแมเป็นทายาว่าขั้นสอนของครูภู์เจ้าเนี่มันว่าเรื่องทุ ก, กเรื่องคนทุกนี่หละขันทุกนี่จะมันพ่วมเลือพรอนต่งงน า, างๆนี่แหละพ่วงยามพ่วงวัดพ่มงมันพ่วมเก่งพ่วงกระับกระชัสสยทุรล่มทุไล่ทั้ง ห, หลายนี่แหละขันเท่าคือคิดว่าอันนั้น มันคือเป็นพิเศษแท้มันมาร่างแก่เบียดเบียนคือแท้เังนไหมครับเกิดใจว่าสบายขนาเลยววาความทุกแต่ว ouais ่าคนเห็นว่ามันเป็นธรรมดาทั้งสั้นว้าว่ายเห็นบ่เ claro ป็นอย่างนด็กนะฮะต้องคอยย่างหัดหัดเด้อฮัดซ่อมสังเกตสิซีนกางๆปนหักมาหลายแนวดอกแนวเข้ามาแนวเขาบมาแนวเป็นแต่ยานแนวเป็นจ่าอีเดียตแนวเป็นจ่าฮัก แม่เป็นตาซั่งมันหักหม่าลายดอกกันว่าสีเดียดบอ่อมันเป็นจา่าฮัดเป็นตาซั่งติดตะม้วนเป็นชาห้อนไวยจังสี่แม่มูนี่มันเฮ่านี่ล่ะมัคุดเอาพี่คุอดอกเข้ามาตั้งเอามักคุดเอากันผู้จังสันไปว่าผู้เจอผูง่ามเด้อจังสิ่คันผู้จังสี่เป็นว่าเป็นผู้ขี่ไล่คันจังสันเป็ว่าสะอาดจังสี่ไป็ว่าโชคโประโฟกจังสี่มันเฮ้าทั้งนั้นแหละ กันคิดนี่คือการที่จังกฎหมายลงอยู่อย่งนั้เราะเหตุกฎหมายือมาว่าจังสี่ทิจังสันเือจัี่นะ้นอ่ะแต่มนี้นลามาตั้งเอาแนวเป็นไปต่างๆมาถึงเปร็จเหมือนกันล่ะคือจังต้อไปเห็นว่าขีลายังสือขีลายังไงมันก็บอกว่ามันขีลายมันก็อยกมันอย่างนั้นล่ะแต่ว่าเป็นคนคุกจบอุงาเหมือกัน เอหนังมันก็ยวงหันตามันยวงมีหนูตามันยวงหันมันมีเจสี่สือได้มันจะได้ว่าสกิล่าบริวา่าจะบบางงามคือจังของโซโคเจสี่แหละเข้าละว่าสโซโคตมันไคร์ดฟาสโซโคเข้าละสังส่งหิมากมันเป็นเจสี่นี่กินเงสี่นี่สียงตีมันปื่นมือเต็มเจสี่แต่ว่าโซโคเห็นสี่เข้าละเขาเบอกเองก็เอง เจ็บไข่ได้สวยขึ้นแก่แน่หนิมันต้องจาะเขามากไข่เขามากว่ะหมเจ็บควอมกลวยนี่มันเป็นปกติองมันยังสั้นมันเป็นธรรมดาจังสั้นของฟางของไก่ฮ่อนขันว่ามาห้อมกันแล้วมันก็ต้องดีนฮ่นมันมันดีนมันฮ่นมันชุดมันติดกลับขึ้นไปนไหมเขาก็เลยคุดว่าโอ้ยมันบกเป็นธรรมดาว่าหน่ว่าสันร่างกายปกเป็นปกติแล้วว่าสัน อะไรนี่จะเ่าเนี่ยเระเ้าเองเนี่นั่งประเทศไปตามหนาทีขพรมันคือแบบที่นี่กรเท่าคือว่าเป็นโซาิโอเป็นนาทีพรมันตัว่ามันเหตุเรียคมันอันนั้นอันนั้นเปนเหตุเรียคมันดอกกานเท่าคือไปจงสี่แต่ว่าเออเก่ากัเหตุเรียกเก่าเนาะดีแล้วไข่สัวยสักกันเก่าสี่ปวยกับปวยสัเท่ากับว่าจงสี่แล้ว ยู่ขาไปพราแมนใจห้องกับสมรสไปนะสมรสไปไปเคยหูยู่มดมดยุงกันละมันกับตัวไปห้องกับยูไปสิกมัวนี้ได้หลักเหเป็นสิใครกับใครยุบอดเง้กินยาสหายามาเกินแต่ว่าใจเคย้องอยู่เอ้ยเจ้ากับเวยไปยังกันเนาะคอยกัเป็นไปส่ ท่งมจีงแก่กับโดเมนปวยดอกซีแต่คอยแน้ะเบ้าเอาว่าวยแวงสีด้ะเคยเป็นสีโบเป็นตัยานดอกเ็บไข่แด้ปวยเนี่แต่ว่าต้องหัดขึ้นมาแต่ดนโดนได้แหละแต่ใส่เนี้ยปวยเล็กปวยน่อยไข่เล็กไขหน่อยกับไปย่ำกระนดใจไปเป็นกลางๆางหลวงกู่เห็นเราปิดใจเสียเอ้เบาเบากระนดอยู่นี่แหละมันปวยนั่นปวยนี่เ็บนั่นปวดนี่ซ่อมกันอยู่ดีแหละ มันถูมือกันและกางให้ซอมยีวไข่อย่ยี่ซ่อมไข่เจ้าประยุทธ์ไขเจ้าไว้เองสิมันรักษาทังสี่แหละที่มันนี้เรื่องอืน่นเพื่อกานช่อารักษาใจไว้ดีทั้งสี่เป็นกลางทั้งสี่ไว้ใจพี้หลวงครูเราเนี่เรื่องอืน่นเพื่อกานเนี่ยเรื่องฮักเรื่องตั่งเรื่องใจให้นั่นน่ารักษาใจเป็นกลางเราเศร้าเนียเรื่งมันบอกเป็นโทษเป็นไผ่เงี้ยนั่นแหะ วังมันจิดีมันอยู่วังนี้แหละมันไปอยู่ไก่เนี้ยไอยู่ไก่อยู่ประเทศนอกประเทศหน้าห้องหรอกมันเขาไปหาหาบทถึงมองมองไปดูที่หนักเต่มันอยู่น้าเข้านี่ไงเข้าไปแง้มรถป่านนี้เนื้องมันเกิดขึ้นมาโอ้มันไปในสี่นออมัีพี่การของเจ้าเจ้าเ็พเดียรเจ้าถือว่านี่เรียกของเขานี่ไม่หยั่งให้นี่ยกำหนดใจเลยเป็นกลางกลางคือลงฟูเว้าเนี่ยโมมีพิษเลย ผู้ใดท่านใจเป็นกลางได้ผู้นั่นค้นจากทุกข์ด้วยกันทุกข์หนีมาวานี่อไรมันเทศใจเป็นกลางกลางได้คือจุงเข้านั่งอยู่เลยใจซื่อไปไลยมันสบายดีเนี่ยลมเย็นดีไปถึงเป็นย่งผ่อนคลายนูกระตามใจเขาก็สบายมันถึงมองเลยด้วยนะถึงมองเอาแล้ว